ขึ้นต้นก็นจะบรรลุเลยทัวนอในครั้งหนึ่งนะโปโนพวิกานนะตัวที่นำเกิดในพบใหม่ราคะอันนี้ตัวที่กำหนัดใช่ไหมเกร ก, กาวใจนะ ราคาก็คือกำหนัดติดข้องแล้วก็นันทิเพลิดเพลินสํานวนคุณนายฟังง่ายดีบอกม่วนขนาดนันทีแล้วก็ยินดียิ่งนักเรียกว่าเพลิดเพลินยิ่งนักก็คือเพิ่มอ่ะนะว่าเพลินเพลินมากสนุกมากเลยคือลักษณะของตันหาเป็นอย่างนั้นนี่ตันหาเหล่านั้นเนี่ยนะ ที่เมื่อคืนแบ่งว่าแบ่งประเภทเป็น1กามตัฐหาสองภาวะตันหาสาวิภวะตันหากามตัฐนหาสองภาวะสวิภาวะกามติฐานเนี่ยเน้นตัวโลภะที่ยึดติดนะจะยึดติดเนี่ยมีที่ถิประกอบหรือไม่มีก็ช่างเพราะอธิบายไปที่ตัวโลภะเป็นหลัก ตัวตัวที่ตัวยึดตัวติดตัวคล้องอะ่ะส่วนภวะตันหาก็แบ่งออกเป็นสองประเภทเกี่ยวกับเรื่องพบกับฌานพบก็คือหมายถึงรูปประพบอรูปประพบนะเพราะคาว่าการประพบนี่อยู่ที่กามอยู่แล้วรูปประฌานและอรูปประฌานอีกในหนึ่งคือสัตตะทิฏฐิ ส่วนวิภาวะตันหาก็คืออุเฉทธิฐิเป็นตันหาที่เกิดร่วมกับวิภาวะทิฐิเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมอัตตามีอยู่หรืออ่นะอตตามีหรือ หรืออัตตาไม่มีคุณบุญมีว่าไงตกลงอัตตามีหรือไม่มีจะเมุจะจะเป็นป ม, นมไม่มีอืมนะ้หเจ้าคารมหน้าเดียเลยพระพุทธเจ้าไม่ตอบทั้งสองอย่างเขาไปถึงเลยนะพระสมณะโคโดมท่านว่าอัตตามีไหมพระองค์เงียบ ถ้าแต่ท่านพระสมณะโคดมอัตตาไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เงียบอีกถ้าบอกว่าอัตตามีปับ๊บเขาจะเป็นสัสนะถ้าพูดว่าอัตตาไม่มีเขากระโดดไปเป็นอุเฉตทันทีพระองค์ก็เลยไม่ตอบถ้าบอกว่าอัตตามีมันก็จะขัดกับสัพเพธรรมานาตาใช่ไหมถ้าบอกอัตตาไม่มีมันเลยเป็นอุเฉตไปเลยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ตอบทั้งคู่เนี่ยนะซึ่งการพูดทิฏฐิที่ใดเนี่ยนะก็เท่ากับพูดสมุทัยที่นั่นเรียกว่า ต, วตัวตัวต้นต้นภวะจักเนี่ยนะต้นแห่งภพเนี่ยมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งอวิชชาสองตัณหาสามทิฏฐ ถ้าพูดอันใดอันหนึ่งที่เหลือก็เท่ากับแสดงแล้วบางทีเนี่ยทิฏฐิกับอวิชานี่คู่กันนะทิฏฐิกับอวิชานี่เป็นของคู่กันมันถ้าพูดอวิชาก็เท่ากับพูดทิฏฐิถ้าพูดทิฏฐิก็เท่ากับพูดอวิชาก็เท่ากับพูดสมุทัยสัตว์เรียบร้อยแล้วนะในพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงอธิบายสมุทัยสัตว์โดยยกทิฏฐิเนี่ยมากมาก ไม่ได้น้อยหน้ากว่าตันหาศักเท่าไหรเมื่อก่อนเนี่ยอ่านผ่านคือไม่ไม่สังเกตสังเกตไม่เห็นว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเนี่ยสัจสตทิฏฐิกอุดเชท ท, ทิฐิเราก็นึกว่าพระองค์ก็ไม่ได้ประกาศอริยสัจอะไรแต่จริงๆกําลังแสดงสมุทัยสัจอยู่นั่นเองนะไพระองค์ชี้โทษทั้งสามอย่างเลยทั้งกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาคําสอนเนี่ยเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นกลุ่มที่ติดข้องในวัตถุกรรมมากๆเช่นคารวาดคนหนึ่งเขาทำนานานะนานี้เป็นหน้าฝนเลยเขาก็ไปทั้งทำไร่ทำนาข้าวสวย น, นะเป็นได้ข้าวงามมากเลยใกล้จะเกี่ยวใกล้จะเกี่ยวน้ำท่วมพัดลงทะเลหมดเลยทำยังไงเช้ามาจะไม่นิน ประมาเหมือนว่าลำไ ย, ยนี่มันดกเต็มต้นหมดเลย ไ, ไปดูเช้าเนี่ยร่วงไม่มีเหลือเลยโค่นหมดเลยนะนพายุพัดไปหมดเลยนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นยังไงตอนแรกก็กามตัญหาพอใจเต็มที่ใช่ไหมคือลักษณะของการมตัญหาเนี่ยพอใจแล้วก็ต่อด้วยราคาคือมันคิดแต่เรื่องได้ได้ได้ได้ไ ด, ได้อย่างเดียว อ, ะอ่ะอ่านะพอราคาปั๊บจะต่อด้วยเรื่องอะไร เรื่องรถเรื่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปคือพวกนี้มันเป็นโลกของกาะตัญหาล้วนๆไม่เกี่ยวกับอะไรกับทิฐิเลยลักษณะนี้นะเป็นเรื่องของกามตัญหาและเช่นดอกไม้อันนี้กระถางนี้เท่าไรชื่ออะไรมีต้นตําเนิดมาจากไหนพันอะไรราคาเท่าไหร่คิดอยู่เท่านี้พวกนี้เป็นกามตันหาเนี่ยนะพวกนี้เป็นกา마ตัญหาล้วนๆเลย แต่เขาบอกว่าเอสแสวงหาความสุขกับพวกนี้มันไม่มีโทษอันนี้จะเข้าอันนี้ทันทีเข้าอุดเชททิฏฐิดีนะถ้าใครบอกว่าบริโภคสิ่งพวกนี้นะนี่แหละสุดยอดของความสุขแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นพวกกลุ่มสัตตตทิฏฐิมันก็จะเข้าทิฏฐิไม่อันใดก็อันหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบความคิดของประชาชนทั่วๆไปส่วนใหญ่เป็นเป็นอะไร เป็นกามัิทิขออภัยเป็นกามัตัหาซะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาวัตถุกามอยู่ใช่ไหมต้องการวัตถุกามนั้นถ้าวัตถุกามนั้นสำเร็จดังประสงค์ก็มีใจเ อ, อิบอิ่มเป็นแน่แท้เนี่นยนะมเนี่ยนะมีความสุขมากคิดอะไรก็สมหวังไปหมดแต่ถ้าคิดแล้วตรงกันข้ามไปหมดเลยโทสะแทน อันนี้พูดถึงอุทาหรณ์คร่าวๆทีนี้ถ้ามาไล่เป็นทีละอันเลยเพราะว่าตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อจะตั้งตั้งอยู่ที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นที่ไหนดีล่ะหือโลกของลืมตาหมดเลยนะเราชอบอะไรที่สุดที่เห็นทั้งหมดนะเราไม่รับเท่าตาเราหรอกเชียว สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนะตาจะบอดกับสีจะเสียเนะี่ยเราจะรักษาอะไรก่อนเอาตาไว้ก่อนนะในโลกทวารตานะเรารักตาเราที่สุดเลยโลกทวารหูเนะี่ยเรารักหูของเราที่สุดเลยโลกทวารจมูกทวารจมูกนะกลิ่นมันจะพิเศษขนาดไหนนะกลิ่นน้ําหอมราคาแสนหนึ่งกับจมูกเนี่ยนะเราเอาอะไรไว้ก่อนไม่ได้ดมก็ไม่เป็นไรนะขอรักษาจมูกไว้ก่อนเถอะ เพราะว่าน้ำหอมมันจะราคาแพงถ้าเราเป็นวัตรเพอย่างเดียวนะหมดราคาเลยนะอ่านะทบทวนว่าสิ่งที่รักเป็นที่พอใจในโลกคือตาหูจมูกเลนกายแล้วก็ใจถ้ารักตาหูจมูกเลนกายใจแบบกามตันหาในที่โจ์มานะแบบกามตันหาแบบภวะตันหาแบบ วิภาวะตันหาเป็นยังไงนถ้าพวกกามตันหานะชื่นชมในความสวยนนะสวยหรือว่าแม้ทําไมสวยน้อยจังเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็ลักษณะเป็นกามตันหาแต่ถ้าพวกภวะตันหาเนี่ยน ะ, ะพวกภวะตันหาเนี่ยสำคัญว่าเป็น ของตนหรือของอัตตก็ได้นีถ้าเป็นวิภาวะตัณหาก็คือสำคัญว่าเป็นอัตต า, าเนี่ยนะเพราะว่าภาวะตัณหาในลักษณะของอะไรสัสตตตทิฏิวิภาวะตัณหาคืออุเฉ ท, ทิติ แต่บางพวกเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้มันยึดแบบนี้ว่าระหว่างเข้าเข้าถือแบบนี้นะว่าเช่นใจนี่เป็นอัตตาตาหูจมูกิ้นกายเป็นของอัตตาหรือตาหูจมูกิ้นกายเป็นอัตตาใจเป็นของ ตาก็ก็แล้วแต่ว่าสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าโดยรวมๆนะกามะตัญหาเนี่ยเพลิดเพลินตาของเรานะสวยงามในในทั้งหมดเนี่ยตาเราสวยที่สุดเลยหรือตาเราก็พอๆกับคนอื่น ล, ลักษณะนี้เป็นลักษณะของกามะตัญหาหูเรานะได้ยินดีมากใช้ได้จมูกเราก็ดีรับกลิ่นอะไรก็หอมไปหมดดีไปหมด นนเขาโครงจมูกก็โด่งกับเพื่อนเป็นต้นนะเนีน่ลิ้นของเราก็บางพูดก็ง่ายไม่ลิ้นไม่นาเติรพูดก็ยากยากก็จะหลุดในแต่ละคําคนลิ้นหนาน่าจะพูดดีไยไม่ใช่เลยยากกว่เดิมไหมลิ้นของเราเนี่ยบางพลิกไปพลิกมาพูดยังไงก็คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงไปหมดเลยกายของเราก็ดีใจของเราก็แหมเเรานี่ใจใหญ่กว่าเพื่อนอย่างเงี้ย พวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งกามะตัญหาถ้าโลกของความคิดลักษณะแค่นี้ใชเฉยนะไม่ได้ไปคิดเรื่องอะไรให้มันซับซ้อนมากมายเนี่ยพวกนี้เป็นกามะตัญหา <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นภาวะตัญหาล่ะเช่นสำคัญตาโดยความเป็นตนนี่อย่างหนึ่งนะถ้าพวกเป็นตนเนี่ยเป็นวิภาวะตัญหาเพราะสำคัญว่าเป็นตนเนี่ยเป็นอุเฉททิฏฐิ มาดูดูลักษณะของอุชเชทีดูลักษณะของพี่ถีนะ่หนึ่งโดยความเป็นตนนั่นนะตนมีอันนะในตนตนในนะี่ เช่นพวกพวกพวกตันตันหาเฉยๆนะพวกไอกามะตันหาเนี่ยพวกนี้ไม่ได้คิดมากตาสวยคิดอย่างเงี้ยแค่อย่างเงี้ยตาสวยสวยยังไงก็เหมือนกับที่อะไรนะในเถรีคถาใช่ไหมนักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งเขาไปจีบภิกษุณีรูปหนึ่งก็บอกโอ้ตาสวยจริงๆเลยพูดไปพูดมาชมมาสวยหมดเลยสึกเพ้ออะไรงี้ยนะคุยไปคุยมาในที่สุดก็บอกว่าถามยิ่งๆเลยชอบอะไรที่สุดบอกว่าตาเนี่ย มันก็ให้เลือกก็เลยชอบตาก็เลยควักให้ข้างหนึ่งเห็นเอาไหมไม่เอาเลยนะบอกฟันสวยมากถอดฟันให้ดูเลยอย่างเงี้ยเอาไมไม่ไหวอีกแล้วนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ลักษณะนี้เป็นกามตัญหาอนนทวนะนะในหนึ่งสอ ง, สองสามสี่พวกข้อหนึ่งนะเท่ากับวิภาวะตัญหา เท่ากับอุเฉดเนี่ยนะเช่นเห็นตาโดยความเป็นตนเขาอะไรนะเห็นตาโดยความเป็นตนเนี่ยเราคือตาตาคือเราพวกนี้เป็นพวก ว, วิภวะตัณหาเนี่ยนะเป็นวิภาวะตัณหาตาคือเราเราคือตาตาอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดตาก็อันนั้น เราคือตาตาคือเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากคือสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นวิภวะตัณหาแต่ถ้าบอกว่าตนเนี่ยตังหากเช่นยกอะไรหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นตนแล้วสำคัญว่าตนเนี่ยมีตนเนี่ยมีตาพวกนี้เป็นสัสตตถิติภเพราะสามข้อหลังเนี่เป็นสัสตต เท่ากับภาวะตันหานี่นตนนี่อะไรตนก็คือถ้าเรายกพูดถึงตานก็ที่เหลือที่เหลือจากตานั่นแหละเป็นตนตนนี่มีตาแล้วในน่ก็บอกว่าตาเนี่ยมันอยู่ในตนนี่นะตาเนี่ยมันอยู่ในตนเนี้ยอยู่ในตนเนี้ยใช่ไหมคุณนะพ่ะย อะไรนะฟังแล้วเม า, วาเลยตัดทิศบัญชีไม่เป็นไรบอกว่าไม่ใช่ตนเนี่ยมันอยู่ข้างในตนเนี่ยมันอยู่ในตาเพราะท่นอาศัยตากับสีเกิดจากขูวิญญาณก็เข้าใจว่าจากขูวิญญาณเป็นตนตนเนี่ยมันอยู่ในนั้นน่ะตนมันอยู่ในตาอย่างเงี้ย แต่ว่าเนี่ยจาสูตรเอาไว้ง่ายๆอย่างเงี้ยจุดหน้าจุดหลังเนี่ยข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยเป็นภาวะปัญหาเพราะเป็นไปกับสัสตตะิทิฐิแต่ถ้าเห็นตาโดยความเป็นตนพวกนี้อุดเฉดนของเราเป็นอะไรดีจ้าวินิจข้อไหนโอ้โหไม่เป็นหมดเลยเหรออาจารกนสอนเป็นเอาหมดเลย เอ้าเมื่อคืนไม่เห็นบอกว่าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนีขัดกันเองนัเนี่ยคือฟังแล้วก็จะงงอีกอย่าเมาหัวเนอะแจกยาดมเลยอ่าพวกกามตัมหาเนี่ยคือความคิดแบบปกติ ปกตินะพวกนี้ปกติก็สวยอย่างเดียวพวกนี้ไม่ไม่ชมอะไรสวยอะไรก็ว่าไปาสวยหูสวยจมูกสวยผิวสวยอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะพวกนี้เป็นโลกของการมตัญหานเนี่ยทั้งวิปยุทธสัมปยุทธไม่เกี่ยงแต่สวยอย่างเดียวเน้นสวยเขาว่านะแต่ถ้าเป็นภวะตัญหากับวิภวะตัญหาเนี่ยไอภวะตัญหาคือสัตตะใช่ห วิภาวะตันหาคืออุจเฉดทีนี้พวกนี้มันต่อได้ว่าเช่นสำคัญพวกนี้โดยความเป็นตนเนยตนมีมีตนในตนอะไรเป็นต้นเนี่ยถ้าเป็นพวกสัสตตานี่อัตตาตายแล้วเกิดอีกงเนี้ยส่วนพวกวิภาวะบอกว่าตายแล้ว ไม่เกิดอีกหรือว่าบางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดบอกว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่อีกพวกนี้ปลาไหล อ๋นนะพวกว่าบอกว่าอัตตาเนี่ยตายแล้วเกิดอีกหรืออัตตาหรือสาสตร์นี่อันเดียวกันนะอัตตาตายแล้วเกิดอีกพวกนี้ลักษณะเป็นภาวะตันหาถ้าบอกว่าอัตตาเนี่ยตายแล้วไม่เกิดอีกโน่นแหละไปอยูท่ที่ที่ไหนนะที่คัมเพงวัดพวกนี้โดยมากท่านมีท่ามีความเห็นหยุดอยู่เท่านั้นจริงจริงนะพวกนี้เป็น มันก็ไม่แน่นะบางพวกก็ถือว่าวิญญาณไปลอยอยู่แถวๆนั้นแหละพวกก็เป็นแม้แต่ว่าเป็นได้ทั้งสัสตตะและอุเฉศคือแล้วแต่ลงรายละเอียดไปอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าบักคิดว่าตายแล้วไปแค่เป็นผุย๋ยเป็นผงจบเลยตัว น, นี้ก็เป็นวิภาวะเพราะว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดอีกส่วนเขาบอกบางอย่างเกิดนะบางอย่างไม่เกิดเช่นตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่เกิด แต่ใจนี่เกิดใ ช, ใช่ั้ยใช่ใช่เชื่อเลยคนนี้ยะ <Okay. S 1> รหลอกคนมาเยอะแล้วเพราคือพวกนี้เป็นเรียกว่าบางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดบางอย่างมีบางอย่างไม่มีคือถ้าบอกว่าพวกนี้นะถ้าพื้นฐานมันอยู่บนหลักการคืออัตรามหมดเลยสำคัญว่าเป็นเป็นตนจริงๆ คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะตนเนี่ยอะไรเป็นตนตาใช่ไหมเป็นตนหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเป็นตนหรือว่าตนมันอยู่ในนี้ไล่ไปไล่ามาตาหูจมูกลิ้นกายใจอะ่ะมีอยู่แต่ตนไม่มีแต่พูดไปพูดมาก็เลยสําคัญว่าตนตนมีเข้าอันนี้ยุ่งมากเนี่ยนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะพวกรัฐที่มิจฉาทิฐิทั้งหลายคือสําคัญว่าตนมีอะ่ะก็เหมือนกับถามว่าเออเนี่ยเสาเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชาย ทดลองเอาไงดีคุณาเสาผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าบอกว่าอิดหินปูนทรายแล้วก็มีเหล็กเป็นแกนในผสมกันเข้านะถ้าแค่นี้มันก็จบกันมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ไปบอกว่าเสาเนี่ยเป็นหญิงหรือเป็นชายบอกว่าเอ๊ะเสาเนี่ยนะเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่เนี่ยนะเขาอายุเท่าไหร่แล้วนะอย่างเงี้ยควรไหมที่เราจะคุยต่อเขาอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ชันใดพวกรัฐที่เหล่านี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นฟังแล้วเมาหัวมันดีแล้วมันต้องไปรู้อะไรมากมายหรอก ไม่ใช่เพิ่งออกมาจากนั่นเลยยุ่งอง <c oughs> พอพอแยกออกนะั่นะแยกออกว่าอะไรเป็นภาวะตัญหากับวิภาวะตันหานันนะนะนะนะแยกออกแล้วมาไล่ว่าเป็นใครคนสอบสดใช่ั้ย เอาภาษาไทยนี่แหละภาษาบริเศทหรือว่อาภาษาบาลีมันเป็นภาษาบาลีเป็นนปุงส ก, กังลิงเสาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายน่าจะทำไมามันมันมันตั้งอยู่บนทิศิะวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อยู่บนทิศตะออกเลยคือมันเป็นหลักภาษาเฉยเฉยหลักภาษาว่าเช่นอะไรนะบาลีก็ปุงลิงนปุงอิฐีลิงนับปุงสกังลิงอย่างเงี้ยนะก็เป็นลิงค่าคือเพศไอ้คาว่าเพศกับอัตตาเนี่ยคนละอย่างกัน ก็เลยอย่างกันพเพราะเพศนี่ธรรมะก็สอนนะอิทธิภาวะปุริสาภาวะอะไรก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแา่เราทำปริญญาในภพเนี่ยครับเพราะว่าพระโวคะเนี่ยองค์ทำอะไรครับที่เราเอามาทำปริญญาคือคือตรงต ร, ง ต, รงตรงโอคาโยคาคันถะเป็นต้นเนี่ยนะเอาไว้ก่อนเลย<ม>คือถ้าเป็นใน โอคะโยคะคันอานะอาสวะอาสวะโอคะโยคะคันทนิวรณะอนุสัยสังโยชิกิเลสเป็นต้นเนี่ย<ม>โดยเฉพาะอาสวะโอคะโยคะเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งกามาสวะกามโมคะกามาโยคะสองทิฐูทิาสวะทิโขคะทิฐิโยคะ นี่นะแล้วก็ภวะนี่น ะ, ภ า, าะ ภ, าาภาวะสวะภวะโยคะแล้วก็อาวิชาเีย น, นะอาวิชอาวิชาสวะอาวิโชคะอาวิชาโยคะเนี่ยนะซึ่งอันนี้องค์ธรรมได้แก่โลภะ8โลภะที่ในโลภะมูลจิต8ทิฏโขคะหมายถึงตัวทิฏฐิ62หรือตั ว, ต, วตัวทิฏฐิ แล้วก็พระโวคะตัวนี้ก็โลภะที่เป็นวิปยุทธอย่างเดียวพระโวคะตัวนี้โลภะวิปยุทธและอวิชโชคะก็คือโมหเจตสิกที่ในโมหะมูลจิตแปดนั้นก็อันนี้อีกในหนึ่งเลยนั้นก็คนละในกับที่กำลังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงนี้นะภาวะตันหาวิภาวะตันหาเท่ากับมุ่งอธิบายตัวนี้อันเดียว นั่นก็คลนละในกันถ้าพูดภวะตัหาวิภวะตันหาเ น, นี่ย น, นะภวะตันหาที่เป็นไปกับยินดีในรูปประชานอารูปประชานอันนั้นก็เป็นภวะโยคะด้วยคือภวะตันหาเนี่ยเป็นทั้งภวะโยคะ เป็นทั้งภาวะทิิฐิโยคะนะแต่ว่าเอาเอาเอ า, เอ า, ม, ามาคิดตามนี้ก่อนดีกว่าสูตรอื่นเอาไว้ก่อนสูตรอื่นจงยกไว้ก่อนมาเอาสูตรนี้ว่าโลกของตาหูจมูกลิ้นกายใจทบทวนว่าคิดยังไงเป็นการมตัณหา สวยหน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีหน้าติดหน้าคล่องเป็นต้นไหนพวกนี้เป็นกามตันหาถ้าเป็นภาวะตันหาคิดรวมๆ ว, ว่าสำคัญว่าพวกนี้เป็นว่ารวมๆนะสำคัญว่าเป็นสัตว์หรืออัตตาเนี่ย น, นะแล้วตามมาด้วยความเที่ยงอันห อีกในหนึ่งก็สำคัญว่าความเป็นสัตว์สัตว์ก็อัตตาตายแล้วศูนย์พวกนี้เป็นวิภาวะตัณหาสัตว์กับอัตตานี่อันเดียวกันนะพวกนี้เป็นวิภาว ะ, อะขออภัยถ้าเห็นว่าโดยความเป็นอัตตาเนี่ยอัตตาบางอย่างถ้าอัตตาเที่ยงเป็นสัตตะถ้าอัตตาศูนย์เป็นอุเฉดเพราะฉะนั้นถ้าเที่ยงนี้จึงเท่ากับ ภวะตันหาแล้วก็ถ้าศูนย์ก็เป็นวิภาวะตันหาส่วนใหญ่เขาเล่นเล่นคำกันนะเขาบอกว่าเขาเขาไปเล่นคำว่าถ้าเป็นกามตันภาวะตันหาก็คือยินดีในความมีความเป็นเพราะภาวะตัวนี้มาจากภูธาภูแปลว่ามีแปลว่าเป็นเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่ายินดีในความมีความเป็นเช่น อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เป็นภวะตันหาอธิบายไปอธิบายมาอยากได้ตําแหน่งอะไรก็ว่าไปเป็นภาวะตันหาวิภาวะตันหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นเบื่อเมียหลวงไม่อยากมีแล้วอย่างเงี้ยอันนั่นเป็นวิภวะตันหาคว่าอันอันนี้มั่วนะรู้อธิบายมั่วอเอาก็จริงสิที่นี่กาลังแก้ว่ามุมงนั้นอะเรียกว่ามั่ว อ๋อนั่นจเจริญกรรมาฐานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่จเจริญ น, นะโทสะนั่นนะเธอหลักการนะเอาสมมตินะหลักการการจเจริญพิจารณาตานะห้ามไม่ให้มีอะพิชชาสูตรเขาห้ามกโกรธอีกนะอันนี้คือข้อห้าม แล้วให้พิจารณาตาไปหนถ้าอภิชาก็ชอบใช่ไหมติดในความชอบถ้าโทมนตก็ชังบอกห้ามชอบห้ามชังอะไรนะถ้าเคยไปชำละศพไหมห้ามชอบศพห้ามชะกลัวศพให้เรียนวิชากระศพอย่างเงี้ยคล้ายๆหลักการมันคล้ายๆกันเพราะถ้กกลัวแล้วก็ไม่จบใช่ไหม ตอนเรียนนี้กลัวไห ม, ไ ม, มห อ, อเรียนอยู่หลายคนนะก้าวเท้า <c oughs> เร็วขึ้นเนะก็ถามคนที่เคยวิจัยสรีระกันแล้วกันได้อาจารย์ใหญ่มาเรียนนะเป็นยังไงตอนนั้นคุณตุจินโส ม, มนัทนะไหยอุเบกขาหนะอเล่นนะ อ, น อ, อ๋อถือเล่นในห้องเลยนหม กินข้าวในห้องด้วยเอาไว้ตากันเลยน้าจะรแล้ว ก, นะ ก, ก็เอาถึ้าวาก่อนพอแล้อย่าไปโยนมรรคผลให้คนอื่นเลยเขาบอกว่าเราอ่ะหน้าบรรลุเพราะว่างั้น <c oughs> ทุกข์ก็ทุกข์เดือดร้อนก็นเดือดร้อนหน้าจะบรรลุสักทีกว่างั้นน ะ, <c oughs> ะสำคัญตาโดยความเป็นอัะนะ สรุปว่าถ้าเป็นพวกลักษณะการมตัฐหาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแปลใกใจอะไรใช่ไหมเพราะว่าในโลกของความเพลิดเพลินติดข้องอันนั้นเป็นการมตัิหาแต่ถ้าเป็นภวะตันหาก็คือพื้นฐานว่าสําคัญว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเลยนะีทีนี้มันมีภาวะตันหาพิเศษที่ยินดีในรู ป, ป ร, รูปประชานอรูปประชานอันนี้ยกใจอย่างเดียว เพราะจิตนี้เป็นไปในภูมิสามอ่ะนะอันนี้นี่ที่จิตที่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาก็คือภูมิสามคือกามาวจรจิตรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ติดในจิตที่เป็นมหคตจิต27เจอันนี้เป็นภาวะตันหาแล้วเชื่อว่าในบรรดามหคตเก้าที่เป็นกุศลให้ผลนำเกิดใน รูปประพบอรูปประพบติดใจเพลิดเพลินในอย่างนั้นน่ะเป็นก็เป็นภาวะตันหาอีกเหมือนกันอันนี้พิเศษนะเป็นตันหาที่ติดใจในรูปประชานอารูปประชานติดใจในรูปประพบอรูปประพบเป็นเป็นภวะตันหานก็ถ้าประกอบกับป้ประกอบประสัสตรส ถ, ถิต แต่ถ้าประกอบกับอุดเฉดก็เป็นวิภาวะไปเมื่อใดที่ไปสำคัญว่าเป็นอุดเฉตเมื่อใดก็เป็นวิภาวะไป